แล้วกิตนี่ละเอียดแทนนะมีนี่แล้วมันก็เครื่องมือของจิตเลยนี่เครื่องประกาศวิบากของจิตวิบากของจิตดีชั่วมนี้บากกาหนดนั้นกาหนดนี้เป็นบากแล้วเวลาสําเร็จก็ออกมาเป็นนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องมือของกิตมเครื่องมือมันร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือของใจจิตเวลามัน มันทะลุจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่านี้เป็นเราเป็นของเราเหมือนอย่างที่มันหลับตาว่ามาตะก่อนนะอืมันหลับตาว่าอะไรๆเป็นเราทั้งนั้นแข้งขาวายวะท่าสีบินน้ําลงไปเป็นเราซะทั้งนั้นย่นเข้าไปจนมันตั้งถึงเวทนาสัญญาสังขารอย่งก็เราทั้งหมดเลยมันแบกเอาหมดเวลาทํามันรอบาดูสิจำปี้ยัดแต่มันก็ไม่เอา มันเป็นหลักธรรมชาติมันรู้จริงอ่นะฮะทั้ก็รู้จะชัดเลว่าอันนี้คืออะไรยังว่าเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองอาศัยพอถึงวันรับผิดชอบมันไปแล้วทิ้งตเมื่ไปเลยไม่สนใจดังนั้นี่ว่ารู้จริงคือมันเป็นหลักธรรมชา ต, ติไม่บังคับบังคับไม่ได้แต่สมมติว่า ถอยตัวออกมาแล้วมันไม่ยึดแล้วเนี่ยจะไปบังค้ำยึดไม่ได้นะเหมือนอย่างตอนอุปทานยึดมั่นถือมั่นในในธาตในขันเหล่าเนี้เมื่อมันยังไม่พร้อมแล้วมันจะยึดขอมันรูอะไรอุปาาดักขันโทในอูปปาดักขัราขันโทสั้นอุปปาดักขันโทคือยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารอย่างนี่เวลามันอยู่ในขั้นยึดมั่นจะให้มันถอยมันมันปล่อยยังไงมันก็ไม่ปล่อย สร้างจิตเตนะปัญจุปารดานะขันธาดุขะนีู่กชังเขเมหมดสรุปความลงว่างนั้นก็ขันตั้งห้ามันเป็นทุกข์หน่อยบอกขนาดไหนมันก็จิตอันนี้มันยังไม่ยอมรับกับเป็นเทียง ว, ยว่าคาดฆ่าฆ่าแต่ตามแ ต, แต่ภาคที่จะให้มันยอมรับมันก็คือภาคปฏิบัติ แก้กันไปแก้กันมาพิจารณาไปพิจารณากันไปชัดเจนไปชัดเจนมาแล้วน่ะพูดง่ายๆนะชัดเข้าชัดเข้าเมื่อมันพอแล้วทีนี่จะให้มันถือมันก็ถือไม่ได้อีกแล้นะนั่นเมื่อมันพอแล้วมันก็เหมือนผลไม้ที่อยู่กับขั้วบนต้นไม้น่ะเมื่อมันถึงทื่อมันแล้วมันต่อยขั้วมันตูมเลยมันไม่ได้อะไรกับต้นไม้นะทั้งๆที่มันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เลกมันก็เป็นดอกเป็นลูกเล็ก เมื่อมันเต็มที่มันมันแก่เต็มที่แล้วมันปล่อยคั่วปล่อยต้นไปหมดเลยตูมเลยนั่นจเวลามพอตัวด้วยการพิจานามันก็เหมือนกันเหมืนปล่อยคั่วคือปล่อยมันมันปล่อยอาการทั้งห้านรูปเวทนาสัญญาสังขารสัญญาเนี่ยมันปล่อยปลยหมดจิตทั้งทั้งติดครองกันอยู่มันก็ปล่อยของมัโดยหลักธรรมชาติถ้ามันยึดไม่ได้นั่นั้ภาษา ถึงเวลาอยู่ในระยะที่มันมันยึดนีด้จะให้มันปล่อยมันปล่อยไม่ได้เมื่อมันยังไม่พอที่จะปล่อยได้นาน บ, าบังคับให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้มันจึงให้พิจนาพาทอ่โตพระหุรีกัโตทําให้มากจเจริญให้มากขนาดท่านจะค่อยเข้าใจเข้าใจจนมาถึงขัน้นมันรู้แล้วนี่จะบังคับให้มันยึดมันก็มายึดบังคับมันหลงก็ไม่หลงจะว่าไงนาน อย่างที่พูดถึงว่าตัวเราตัวท่านนี่แหละแล้วลถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ความมันถือมาขนาดไหนที่เวลามันรู้ในหลักธรรมชาติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นนั้นมันรู้ชัดชัดเราเป็นอาการหนึง่งอหนึ่งจากิเท่านั้นไม่ใช่จิตแน่บางครั้งให้มันเป็นจิตมันก็เป็นไม่ได้บางครั้งให้มันเป็นเรามันก็เป็นไม่ได้มันไม่เป็นนเวลามัน ร, รู้ของมันมันก็เป็นแบบนั้นกี่วันไหนถือว่าเป็นธรรมชาติด้วยเห็นนี้เองมาพพระอระหรนันต์ท่าน ท่านจะตายตายแบบไหนตายอิทธิยาบทใดก็ตามเต๋อไม่มีอะไรเข้าไปทําลายท่านได้เลยความมุ่งถึงท่านนาเนะเนี่ยมันเป็นอาถรรพแล้วหน่งเป็นหลักธรรมชาติไม่มีอะไรจะบังคับได้เลยเป็นอาถรรพณในของตัวของตัวแล้วมันเป็นไปไม่ได้ระหว่างเรื่งว่าเป็นเพียงเครื่องมืออาศัยกันไปรู้อยู่แช่แช่เ ง, งี้ยอยู่ระหว่า ถ้าสมมติว่าคณะกรอมกมันไม่ว่าเครื่องมือมันว่าเป็นเรวเป็นของเราทั้งหมดใครจะว่าเป็นอะไรก็ตามอรูปังนี้จังเวทนาตอนัตตาตาตาตามไม่ใช่เราใช่ไหเราวาดแล้วก็ตามอันหนึ่งมันใช่อยู่อย่างนั้นจีว่างเลยเวลามันถึงขั้นที่มันไม่ใช่มันยังเข้าไปถึงกันจริงแล้วถึงขั้นมันไม่ใช่แล้วบังคับให้ใช่มันก็ไม่ใช่ที่นี่อ่านนั่นบ้างไง ทำให้หลงมันก็ไม่หลงแต่แบังคำให้มันแบกมันก็ไม่แบกอุปทานคือความยึดมั่นหมาถึงว่าแบกพาราเข้าไปมาจากขั้นถ่าให้แบกมันก็ไม่แบกนี่มันมีแต่คือท้ายมัมีแต่ความรับผิดชอบไม่เฉยความแบกด้วยอํานาจอุปทานมันยังเป็นมาแต่ก่อนไม่แบกหรือว่างั้นนี่เรื่องของความรู้จริงของพุทธเจ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่ยอมท่านหนงได้ยังไงเมื่อมันถึงขั้นยอมแล้วจำยอมกันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ทรงสาวกมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านไม่มีอะไรที่จะเถียงกันได้เลยในหลักธรรมชาติอันนี้เหมือนกันหมดถึงขั้นยอมรับแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะมาค้านกันไนดะ้ใส่ไปวันหนึ่งวันหนึง่งเดือนยิ่้ายแล้วความหมายอะไรกับมันดินน้ำลมไฟอะไรกับมันยิ่ก็มีความรับผิดชอบ เพียงเท่านั้นนะจึงว่ายึดมั่นถึงมั่นทัเขาไม่ยึดเปความรับผิดชอบด้วยโดยสัญชาตยาณ น, นะนี่ทางด้วสัญชาตยานที่เป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้ น, นเอาให้เห็นเจ้าชาติคือเหว่าเราเดินไปเนี่ยเดินไปตามทางเนี่ยไปเจอรากไม้มันเหมือนกับงูเนี่ยกําลังก้าวลงแล้วจะเหยียบอยู่แล้วมีนะรากไม้นั่ น, นแหะเรามันเข้าใจว่างูน่ะขนาดนั้น แล้วมันจะโดดถึงเลยในชะ่ไหมมันจะไม่มันจะไม่เหยียบลงไปลังขาดนะตรงที่ไห น, นตรงตรงตรงที่ว่างูนั่นทั้ทั้งที่เป็นรากไม้นะเราสําคัญว่าเป็นงูมันโดดถึงเลยเห็นชัดไหมล่ะเนี่ยสัญชาตญาณเป็นเองอย่าง่นอย่งเราลื่นอย่านีน้มันจะล้มหกลมอย่างนี้นะมันจะช่วยตัวเองจนสุด กำลังความสามารถมันถึงจะยอมร่มถ้าจะล่มก็ดีนี่เป็นหลักธรรมชาติระหว่างพระอรหันต์กับบุตรชนเราเหมือนกันอันนี้ไม่ไมีอะไรผิดกันเลยข้ะสันทัดสิยาอันนี้เหมือนกันเป็นมันที่ต่างกันคือว่าอันหนึ่งเป็นอุปทานหนึ่งไม่เป็นอุปทานเช่นเวลาตื่นจาก ง, งูอย่างนี้นะกินของบุตรชนเรามันจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนวุ้บเพลินทีแต่กินท่านไม่เป็นยับเป็นกินยาวขันแสดงตัวยับทั้งหมดไม่มีอะไร อย่างที่ว่าที่ว่าลื่นอย่างเนี้เอาจงกระทั่งเจนเ็นสุดเหีห่ยงเอางั้นเถอะไม่ควรล้มไม่ยอมให้ล้ม ม, มันยังเป็นของมันอยู่นั่นแ่ะแต่ที่จะให้เป็นเรื่องวุ่นวายไปกลับมานั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่นี่จะว่ไงมันเป็นหลักธรรมชาติธรรมชาติรรมาสมถาปุญญาเนี่ยมือรำเป็นไปแล้วไม่ไม่บอกตรงมันก็รู้เอง ห่ S <S แม่ขอ ง, งั้นมาโยมทหารองค์นั้นท่านมีผ่านทางนั้นทนนั้นมีผ่านทาน น, า น, ทานั้น่านทาน้คนที่ตั้งเตมไม่เกิดมาตั้งตะเกิดมาไม่เคยภาวนามันทํา ม, มันไปค่าสามารถไปให้คะแนนประตะคะแนนของพ่อแม่ของใจงมันมันไม่อายบ้างเหรอวะออพิจาณเกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่มบนบาปต่าง น, น, น, นี้เลยไม่เคยด้ภาวนาแล ให้คะแนนไปตัดคะแนนท่านผู้ที่ภาวนามาตั้งแต่วันบวชนั่นน่ะอย่างนไม่อายบ้างเหรือวะพราะสิ่เหนี้จะรู้โดยด้วยหลักภาวนาไม่รู้โดยกันสําคัญมั่นหมายว่าตัวนูต้ตนวฉ ล, ลาดเฉยทั้งทั้งที่มันไม่รู้ทั้งทที่มันไม่ฉลาดเนี่ยมต น, นาไหนน่ะมันจะมาทําลายจิตพระอรหันได้ ให้มาเป็นสิบุรุษชนมาได้แ ต, ต้มหน้าของวิทยาศาสท่านยังไงท่าน จ, จะนิพพานตามัญยาสายของท่านในท่าใดาซึ่งเป็นเวลาสุดท้ายท่านก็ทําท่านอย่างน้ะมันถนัด ก, กับพยาสายของท่านนั้นท่าใดาท่านก็ออกท่านท่านจะนั่งนิพพานท่านก็นั่งท่านจะยืนนิผ่านท่านก็ยืนอาการของขันต่างหากอาการของสมมติต่างหาที่ทํากันอยู่นั่นไม่ใช่อาการของวิมุตนิ น, น่ะ กเวทนาก็บอกแล้วอูปรูปฟังในงจังถึงเวทนาสัญญาก า, ารมีอนิจจานิานตาตากรว่ากันหมดแล้วเนีอาการวาระสุดท้าที่จะปล่อยระหว่างนิมุตกับสมมุติที่จะปล่อยความรับผิดชอบกันอือันนี้พ่านคือว่าจะปล่อยกันปล่อยความรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยอุปาทานท่นพูดฮ่แล้วเรากรรมวานอยู่ในหัวใจนะ้ยมันไม่ องค์ก็เดินจนกรมเดิ น, น, นแบบนิพผ่านเข้ามามาแสดงให้ท่านเห็นท่าเปลี่ยนเรื่องของธรรมไปงั้นนะ่ะตามอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ชัด ส, สลากรู้ประทังไหนตังไหนตามภูมิของอุปนิสัยของแต่ละคนนคนของแต่ละองค์องค์ไม่เหมือนกันรู้ไูมท่านเป็อย่างนั้น <c oughs> องค์ไม่รู้อย่างนั้นก็มีนี่ว่าไงมันเมืม่อมันไม่รู้จะทําไงแต่ผู้รู้เลยจะทําไงไม่ให้รู้ได้ไงแนะ่ นี่มันต่างกันอย่างเรื่องทำรรจะเอาอะไรไปวัดไปตวงห ล, ลักจะาอะไรไปบีบบังคับทำอ่ะเราคิ ด, เ, ดเต็มหัวใจเอาอะไรไปบีบบังคับทำถ้าไม่อยากให้เขาหัวเลาะว่างโง่ขนาดไหนหนันปวดทั้งบวดตัวฉลาดนั่นะ ท่านมีปัญหาอะไรกับเรื่องเป็นเรื่งตายพระหรหัลท่าว่าอย่างนี้เลยมีปัญหาอะไรในเรื่องเป็นเรื่ตายมันจะไปจิต ไ, ไปให้ให้เป็นภาระอะไรกลนะัวได้กลัวเสียอะไรกับเรื่องเป็นเรื่งตายของพระหรหัลนละ่ะมันก็สมมติล้วนอืออันหนึ่งก็วิมุต วิมุตต์แล้วตั้งแต่กิเลสขาดสะบัดลงไปจากใจน่วิมุตต์แล้วตั้งแต่โนู้นหมดปัญหาไปแล้วตั้งแต่โนู้นอันนี้ก็มีแต่เรื่องขันนนัที่ดิ้นดีบอยู่นี่พาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายว่าสามเรื่องมันเนี่ยพอถึงมาล้างมันแล้วก็ปล่อยหมดพ่ะแม่ครูปฏิบัติทางพระแม่ครูจารั์มั่นเราพาดำเนินมันรู้สึกว่าได้เป็นแบบฉบับตัวอย่างกว้างขวางมากนะ ถ้าผู้ไม่ทันนงถ้าถ้ากรรมไม่ บ, บรรุญบันดาลที่จริงๆแล้วจะยิบหลักปฏิบัติาของพระแม่กูจันท์มันนี้เป็นคติเป็นหลักใจได้เป็นจํานวนมากมายนะนี่เนีเราเขียนประวัติของท่านออกมาอย่างนี้ก็ดดีปฏิบัติทางพระจุลมารานสายกูมั่นกว่าสองเล่มเนี่ยสาคัญมากที่สุดคือนี่เป็นเรื่องปฏิบัติทาของพระจุลกุมถานสายกูมั่นแท้ๆนี่ นี่แหะเป็นแบบเป็นฉบับได้เป็นอย่างดีนะถ้าไม่ใช่กรรมดานจริงแล้วจะไม่สงสัยยึดได้เป็นหลักจริงๆฝากเป็นฝากตาได้เดีย๋ยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านพ า, าดําเนินมาตามแบบตามฉบับจริงๆไม่ไม่นอกเหนือนอกกลูก่นอกทางไปที่ไหนเลยตอนนั้นมาตอนสำคัญที่เวลาท่านพูดธรรมะ ให้ฟังเฉพาะเฉพาะนี่แม่อัศจรรย์ดีนะเวลาท่านเทศส่วนมากท่านมักจะลงในวงสัจธรรมเวลาท่านพูดโดยเฉพาะเฉพาะคุยกันสองสามวงตอนอยู่เฉพาะว่าไม่มันละเอียดมากนะความรู้ของท่านไม่มีในสมัดุลนานี่เวลาท่านพูดออกมามีตั้งแต่ความอัศจรรย์ทั้งนั้นเราอัศจรรย์ ท่านธรรมะึงรู้เลยเอียดะอ่อท่านเล่าอะไรออกมานี่ยละเอียดมากทีเดียวนะก็เราก็เรียนมันก็ไม่เห็นในตำราตรลาว่าไงมันไม่เห็นแต่ก็ได้ยินอย่นั้นจะปฏิเสธได้ยังไงท่านรู้ทั้งก็รู้งั้นท่านก็เล่าเอาความท่านเอาความรู้มาพูดให้เราฟังท่านก็รู้อยู่นั้นแล้วเราก็ฟังอเงี้ยอยู่ว่าง่ายมั้งม่มีในตำรามันก็เห็นมันก็ฟังอยู่เดียวนี้ว่างนี่จีถึงว่าแม่ละเอียดมากเนาะ เรื่องอย่างที่ทดูได้อย่างที่ว่า 80, 80. แปดสิบแปดสิบท่านย้ำแย้ำเล่าอยู่ในวงสังคมมนทนที่อยู่กับท่านใครที่ไปสงสัยก็ประกาศตั้งต้างอยู่ในวันอุโบสถที่เราท่านได้วัติต่างสอนเสร็แล้วอย่างนี้อย่างที่ว่านับก็มือเห็นได้ดูขนั้นี่อนาคตตังสยานทายอนาคตได้อย่างแม่นยาาอย่งำ พูดอย่างอาถรรพ์เลยนะพูดธรรมดาธรรมดาเลยนะนับข้อมือไปกึกกึ๊เวลานี้มันอายุเท่านั้นแล้วนี่น่ะแล้วก็นับไปกึกกึพอไปถึงจุดพอย่างก็แปดสิบนี่เท่านั้นมันมากเมื่อไหร่มันนาเมื่อไหร่ใคจะตั้งใจก็ตั้งใจสิทีสูตเท่าตายัล้วมาผู้จะแก้ยากมาแก้ผิดไม่เหมือนกันอื่นมาก มันก็เท่ายังมีแก้ให้น่ะพูดอย่างอาถารพอพอถึงพอเริ่มเป็นป่วยท้านก็บอกเลยบอกตั้งแต่ต้นเลยเดียวนั่นทันทันท่านั่นขนาดไหนฟังสิคือทุกเส้นทาง ตอนที่ฉันพูดถึงนังเทพนี่อันนึ่งใหม่ละเอียดมากนะพูดถึงนังเทพมาป่ะที่ว่าเชียงใหม่มีมากกว่าก่อนก็คือเชียงใหม่นั้นเป็นสถานที่ที่สงัดมีเรื่อมากกว่าทุกแห่งนั่นเองคือหนึ่งนน่ะเสดจทั้งไก่ทั้งไก่แล้วก็หลังหลายจะฟังสนัดมากดังมาทางนะี้กันลจะมีเป็นบางเหลาตอนนั้นน่ะไปฟังซิ เช่นวันเข้าพรรษามีทีสาขาบูชามาข้าบูชาวันเข้าพรรษามีนั่นแะคือวันมีวันัง้งพรรษาตามหลักพุทธศาสนานี่หมีมาอันนั้นไม่ได้เว้นนี่หนาหวังกันยินดีหว่างกันฟังสิผมไม่ได้เขียนมากมายสินนะเพราะเขียนพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เอาแล้ว เรื่องพวกเทพพวกอะไรสมัยกินในประวัตินันของท่านเขียนพอเป็นปากเป็นทางสำนักพอได้เป็นหลักยึดไม่ได้ออกมากมายอะไรเลยเพราะพ่อเห็นมากๆกับมากแล้วเอาเสียเรื่องอะไรมากมายนะนีะ่ตอนที่เอพระอะไรอุปวานเนี่ยที่นั่ง ตอพระพักของพระิเจาะตอนรริเจาะรู้จะเป็นวันปรินิพันในวันไหนจะประนิพันที่พกเทพทั้งหลายเขามาห้อมล้อมเต็มอยู่ทางทางหน้าเขายกโทเข้าอุวาเนเขาจะเห็นองค์สดาเพราะอุวานมามาบังนั่งบังพระอุวานไม่รู้นะพองทั้งหลาย พระวานให้หลีออกไปนั้นแล้วไล่หลีไปก็ไม่ยังไม่บอกเหตุผลบอกให้พระวานหลีออกไปแล้วก็ลุงพระอนุนทูลถามพี่ไล่พระให้พระอุป ว, วานออกไปเพราะอะไรเพราะอะไรก็เทพพวกเทพเข้ามาความร้อนเต็มม น, น่นเองพระอุปวานนี้มานั่งขวาง หน้าเขาอยู่เขาปิดหน้าอายะแคโรนั่งบังเลยว่ า, าไม่เห็นเขายกโทษพระอุปวานว่าเงินเขายกโทษฟังที่ขีดพเทวดาก็ยกโทษตัวอ้อย่างนั้นก็มีในตำราลุมเป็นระยะกี่ภพที่เจ้าจะลุงเป็นคืนจะปฏิญผ่านไงผมก็ลืมๆเท่าจำได้อย่างนี้เท่านั้นเองลุมเป็น คือ น, นั่นนะมั้งมรเทวดา ม, มามีนดนุกถัตตมาเพร ว, วานี้ก็เคยเป็นอนุปถากต์ระพุทธเจ้านะแต่ผู้อุปถกต์ทท้าก็ทีฟ่ฟานนเป็นไงพวกนี้เห็นไหมนั่น นอนเอกนิ่งนะบักนิลาธรรมะอืมที่ประมาณสักสี่ทุ่มกว่ามาแล้ว <S <S มันสั่สงตั้งธรรมะพอเราอยู่ในปานะ่าในเขาจริงๆทก็เราอยู่ ต, นะตัวไดนะ้เห่าบกวนติเขียงอ้วนเขาก็บกตั้งจะค่ากันนะงานที่เชียงใหม่กัน ไม่ได้ ด, ดื่นอะไรนะระวังนี่ที่ประมาณสักสี่ทุ่มกว่ามาแล้ว ม, มันสั่งลั ด, ดประมาณสักสี่ทุ่มก็มาแล้วัเชียงใหม่มันนาของพวกเทศนี่มากที่สุดเชียงใหม่เพราะมาจะาไม่ใช่มาจากพวกลุกขอาเทวดาเนี่ยมาจากชั้นต่างๆ โยดาชั่นไหนๆนมามัชนชยน้อยๆการพูดถึงเรื่องความละเอียดของเทพนี่สําคัญมากนะที่มาเนะ่และความละเอียดอ่อนของเทพตามขั้นตามภูมิที่มาเนี่ยละเอียดอ่อนมากผิดกันมากกับพวกเทวดาในภูมิมาเทวดาอะไรอะไรๆเทวดาท่านบุญสูง ไปเดินหนักเลยละเอียดละเอียดละเอียละเอียดจนถึงท้ามหาผมอย่างนั้นแล้วท่านพูดอยู่สบายท่านพูดแบบสบายสบายแต่พวกเรามันหลับตาเพราะเรายังไม่เห็นนะจ๊ะแม่ลุงหลวงปู่ฟั่นองค์หนึ่งนะมันพูดไปเข้ากันเสนิทดีไงหลวงปู่ฟั่นองค์แต่ถ้า ถ้าได้พิสดารเหมือนลวงปู่มั่นห่างไม่พิสดารหากักหักเป็นพยานกันได้ไหมลวงปู่ฟันเนี่เป็นพยานกันได้เรื่องยุทธิของคนอื่นลวงปูฟ่ฟนนั่นยังรู้ร่วมกั น, กนท่านท่านอยู่เชียงใหม่แล้วเล่าให้ฟัง รู้เลยรู้ไปได้เขียนในใ น, ในประวัติเมื่อไงเพราะจิตของเรารวมไปกําหนดดูท่านเมื่อไหร่เฮ้ยท่านดูเราอยู่แล้ว <c oughs> อมันยิ่งกลัวยิ่งอายกังพอจิตชํารืองเหมือนกับ ว, ว่าชํารืองว่าไปที่ใดท่านดูเราอยู่แล้วตั้งเมื่อไหร่ดูแล้วตั้งเมื่อไหร่มันก็ยิ่งกลัวแล้ว คืนที่ท่านจิตของท่านสว่างมันแสดงความผาดโผนความอัศจรรย์ของจิตวันนั้นแสดงออกจริงๆขั้นว่ะเราก็ไม่เคยปรากฏเพิ่งวันคืนวันนั้นมันปรากฏอย่างเต็มที่เลยขั้นว่าท่านจันทร์ฟ้นคือปกติท่านก็เคยพูดเวลาอยู่กับท่านนะท่านอยากไปความเรียกภาวนาทางโน้นทางนี้พอเนึ่องในใจแล้วเอาละวางกันนะตันขนาดนั้นนะไม่เอาจันมั่นยท่านละเอียกขนาดนั้นนว่างกันเพียงเรานึกเท่านั้นก็เอาคือ ไปนี่ยังไม่ต้องพูดอะไรละท่านจะออกมาก่อนแคนะ่นั้นนั่นแ่ละอาจารย์ถนอมมันจึงเข้ากันได้ตอนที่แบบพอจิตของเราสงบรวงลงไปที่กําหนดดูท่านเมื่อไรบู๊ยท่านดูเราอยู่แล่แล้ววางกันเนี่ยมันเข้ากันในตรงนี้กันนะทีพอเราเนึ ก, กว่าจากเจแปรวาาตรงนั้นตรงนั้นก่อนเชา้าพอไปเอาบริขารท่านกุฏิกันไปที่ไหนเน่ไม่ถามนะอานารย เฮ้มันก็เหมาะเราเองนะไปที่มันไม่ดีอ่ะถ้าทั้งชี้แจงเหตุผลให้ทราบเรื่องไม่ดีอะไรๆหางไม่มากนะักหากจับเงื่อนได้พอพอบอกเงื่อนี่หนงันแล้วเขาก็สงบไปทีนี้ก็อีกสักสองสาวันอีกแล้วจิดเนี่ยมันมันอยากไปเที่ยวพอมัอยากออกไปภาว น, นาอยู่เปลี่ยวๆอยากประดัดเจ้าของดูนะอย่น้พ ท่านเปิดประตูกุฏิออกมาตาท่านเหมือนจังขอเราหรอกท่านรู้สึกท่านเมตตามากกลยับผมท่านวางเงนนะแล้วประการหนึ่งคือเหมือนกับมันมันเหมือนกับอะไรของเราก็มันมันกับพูดไม่ถูกนะมันอดรู้ทำไม่ได้นีะว่างเงินนะท่านเช็ดฟันกันดีเรามันก็ัอดพูดไม่ได้นมันอดรู้ทำไม่ได้นี่เห็นว่าเนี่ยหนึ่งท่านท่านฟันพูดปรกาศกันนะนี่พอเปิดประตูป้อง ไหนหาดัดที่ไหนใช่ป่ะอยู่นี่กระ ด, ดานลงไปสิมันก็อยู่กับครูกับอาจารย์มันก็ยิ่งเหมาะที่จะในการที่จะดัดที่น่ะแล้วไปอยู่ น, นใครจะไปดัดให้ล่ะเจ้าของดัดเจ้าของเดี๋ยวทะเลทะไรไปเงียบนะเนี่ยทันว่างเงียอยู่นี่มันหมอะเลยนะเนี่ยเราก็หมอคบ <c oughs> <c oughs> คือท่านรู้เหตุดูผลข้างหน้าของของปู่ฟันได้ดีมาไปนู้นแทนแที่มันจะดีมันจะเป็นอย่างนั้นนั้นท่านทราบแล้วหมดแล้วจะให้ไ มีผู้ฝึกผู้ทรมานจะจะไปฝึกพทรมานจะก่องอยู่นี่ก็พอแล้วนี่แหละเนี่ยท่านท่านดับไปตรงนี้เลยก็มีทั้งผู้ช่วยฝึกทรมานแล้วะไปนั่นจะไปไปนั่นว่าจะฝึกทรมานนั้นเดี๋ยวเทเลทไหลไปไม่ได้เรื่องน่ะเนี่ยอยู่นี่ดีแล้วแหละท่านวางอ่างเราก็ไม่กล้าที่จะข้ามท่านหรืที่จะว่างไงฝืนท่านได้ยังไงท่านว่างนั้นท่านละไม่ตอบคำอีกเลยเนี่ยมเป็นอยู่เรื่อยๆพอครับพอแต่ขอแต่เราคิดเถอะ่างดังเน่ะ ตอนเช้าเป็นในเรื่องทุกวันนี่วะ่ะแล้วก็วันนั่งภาวนาคืนโอ้โหจิตมันลงนลงยังไงก็อาะจรัมเหมือนกันนะสว่างครอบโลกธาตุเลยทั้งหลายนี่นะท่าอาจารย์รนนยท่า น, า น, น่ะนนไม่อาสจารัมจริงจริงจิตมันลงยังไงอะนั่งหนาจิตสว่างครอบโลกธาตุไปหมดเลยพอวันนั้นท่านเ้าบอกท่านไม่นอน มันจิตมันมันเป็นอย่างนั้นตลอดหรือตลอดเลยทั้งวันพอเป็นเช้าพอไปกุติท่านนี่อันหนึ่งที่ท่านที่มันสาคัญมากนะว่าพอพอไปพอไปกุติท่านพอท่านเปิดประตูมาพอเ ด, ดินมายืนซักเลยว่าเป็นยังไงเห็นนั่นเลยที่นี่เรื่องความสว่างสวัยเรื่อง ขนาดสว่างสวยขนาดนนะแล้วเป็นไงเห็นแล้วลยั ง, งเงมื่อคืนนี่เส้หนหาแล้วนผมก็ลืนรุอตอนนี้นะท่านท่านฟันหลวงปู่ฟันหนานลอยผมยังไงเมื่อคืนนี่เห็นแล้ยังเห็นแล้อยังอยู่งั้นนะไม่ได้ถามท่านนฟังสิเมื่อคือนนี่ผมก็ไม่ได้นอนนะหวานนะออกมายังไม่ได้พูดอะไร เ, เอานี่ก่อนเลยเน่อย เห็นแล้วยังนี่ความมัจจจันทร์ของศาสนาเห็นแล้วยังความมัจจจันร์ของจิตเห็นแล้วยังเมื่อคืนนี้เนี่ยจ้ำอยู่จุดเดียวตอนกระทั่งตอนเย็นผมได้โอกาสก็กไปหาท่านตอนเย็นมูเพื่อนก็ไปไปกันไปกราบเรียนนั้นพนันสิเมื่อคืนนี้ผมก็ดูชุดเมื่อคืนนี้นะผมไม่ได้นอนนเนะมื่อคืนอยู่ดิสันวางเนี่ย <c oughs> นั่นเห็นไหมหลวงปู่มัน่นไทยจะมากล้าพูดอุจริพูดเรื่องท่านไม่เป็นละมาอุจริได้ยังไง ไปเห็นท่านมันก็ยอมเองนาน า, น า, นานอืมโอ้ยเมันถูกดักถูกตีหน้าผาเดียมันยอมได้คนเรามันจะไม่ยอมได้ไงผมนี่เป็นตัวดื้อที่สุดเลยทดลองทุกสิ่งทุกอย่างสอบทดลองเนี่ยโอยแต่งมากนะดื้อที่ต้องอยู่ๆก็คืออยากจะรู้ว่าท่า น, นรู้จิงค์คนอื่นจริงๆเหรอใครคิดอะไรท่านรู้จริหรือเวลานี้เราอยากจะทราบว่ า, วาอยากจะทดลองดูว่าท่านเราอยาก ท่านรู้จิตของเราอ่ะเราเป็นยังไงเวลาเนี้ยคืออยากเราตั้งใจฐานกราบพระนะตั้งใจฐานแล้วก็ให้ค่ะว่าท <blades Community. S 2> yeah. ่านอาจารย์มั่นรู้จักจิตของเราจริงๆแล้วเราอยากจะทดลองท่านว่าท่านรู้จิตรู้จักจิตจริงหรือรู้จักจิตก็หนีจริงหรืวันนี้เวลานี้เรายังอยากจะทดลองท่านถ้าเมื่อหากว่าท่านรู้จริงนีเราไปนี้ให้ท่านทักกันเลยนะเอาลดลงจุดสำคัญเลย วางันผมไม่ลืมนะก็เราหาเหตุหาความจริงเราแต่ท่านกาลังเย็บผ้าอย่งนี้เขาขึ้นไปมองดูตาผู้ตายท่านอยูนั่นตาไมไ่ธรรมนาแล้วนะถ้าว่าวัวชล้างวาหรืออะไรมันก็เละเขยอมแล้วหนิกลัวแล้วนะมองดูถ้ <laughs> เาเก่าแล้วท่านกำเย็บผ้าอกับผ้านะม พอกล่าวแล้วก็คานเข้าไปแล้วคานเข้าไปแล้วก็ขอจะไปขอเยียวท่านยุ่งทําไมวะนี่ยไม่หลักย ด, ดีเอาแล้วนะอุกุตาเอาแล้วที่นี้แต่ก็ยังคอยจาบจับท่านอยู่ที่ละเอียดกว่านั้นอีกนี่แต่นนี้เราก็ยอมรับแล้วว่ากูตายนะนั่งเงียบไม่พูดอะไรเลยนะในบทเวลาจะพูดมาที่นี่เงี่ยสิมันหนักพระผู้ปฏิบัติทั้งทั้งหลายเนี่ยก็รม กรรมฐานว่ปฏิบัติเพื่อเพื่อทําทั้งหลาย<_ <K> _>ก็ต้องอยากรู้เรื่องจิตใจของจอของจิตเป็นยังไงมันเป็นยังไงจิตภาว น, นาไม่ดูจิตเจ้าของดูไยนี่ยา้คนอื่นมาดูเจ้าของรูเจ้าขอ ง, ของมันป้านีา่กรรมฐ า, านขี้หมาอะไรฟังเสร็จเข้ากัได้ไหมนี่ให้คนอื่นมันรู้จิตเจ้าของทั้งท่เจ้าของไม่สนใจจิตอยากจะดูเจ้าของเลยมันกรรมฐานขี้หมาอะไรหมดโอ้ยท่านละก็ยอมโอยอมเลี้ยยอแลี้ยยอมไหนที่นี่ยอมนี่ฟังไง ยอมยอมจอกระทั่ไม่ีเหลือเลยว่าหมอบลาวเลยที่ปี่ปิท่านพูดแนั้นกนก็ะทั่งรดาย่านีอะไท่านก็พูดไปทำบรรดาแล้วท่านก็หยุดแล้วเจบับคราวนี้เขาไปขอเย็บผ่าอยู่ท่านให้เย็บเนี่ยดูสินั่นผมไม่ดืมมาถึงมอะไรผมมันดื้อจริงๆดื้อห้อนะคนนั่นแหละย่างั้นหมู่เพ่อนถึงเนี่ยว่าผมตอนที่ผมปฏิบัติอยู่กับท่าน แพ่อย่างยิ่งคือเรื่องอาหารนะท่านมได้ดุมท่านได้ดมากว่าเจตนาคนละอย่างอย่างหมูานเวาออกมามู่บ้าน่าอ๋อใหญ่มาอยู่มันนั่นไหนนมันบางทเงื่อทังี่ย่างนี้เป็นเหงือดีก็มีนี่ทั้งนี้เฉยอยู่แล้วสบายจัดจุบปับเฉยไม่สนใจเลยนี่มันังไหนผู้หญ่ ที่ไหนยิงทั้งท่าอยู่ใดเนมืเพื่อนเบิ้งอยู่ด้ผมเสือเพื่อนได้ผมผมไม่ได้เสือผมอีูไไ่เขเสือเพื่อนเนีผมไม่ได้ว่าผนเป็นเสือเพราะว่าเป็นผู้บาอาจารย์เป็นผู้ฝึก ส, สามารถฝึกธรรมะเราได้ผมยังไม่ย่อมกายสบายตัวกั้วท่านเนี่ยมหาญานีความถือเนือถือตัวว่าญาณญาณเพราะอย่างพะสมวนตัวอันตัวญาณหายอย่างให้มันได้เหตุได้ผลที่ ม, มาศึกษาเขาเปผู้บาอาจารย์มองเสียห้อง